เรื่องโยมแพงแห่งบ้านนามน์แม่นุ่มชุวานนพร้อมน้องสาวสองคนได้สร้างวัดป่าสุทาวาสถวายเฉพาะท่านพระอาจารย์เสาและท่านพระอาจารย์มั่นเมื่อท่านมาพักอยู่อุดรธานีและปรารบจะไปอยู่สกล น, นครแม่นุมก็จัดสร้างกุฏิมีระเบียงรอบห้องนอนต่อออกมาเป็นห้องรับแขก มีประตูและฝากัน้นท่านมาพักเพียง15้าวันก็อำลาญาติโยมเดินทางสู่บ้านนามนอําเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกล น, นครเป็นหมู่บ้านที่พระอาจารย์เสาเคยอยู่จำพรรษาบุคคลที่ควรกล่าวถึงคือโยมแพงพร้อมภรรยาและบุตรสาวบุตรชายซึ่งได้ให้การบำรุงด้วยศรัทธาเลื่อมใสคนคนนี้ขยันช่วยตนเอง บุตรอยู่ในโอวาดได้สร้างกุฏิและศาลาถวายท่านพระอาจารย์เธอและบุตรจะจัดอาหารสำหรับท่านพระอาจารย์ต่างหากจะมีพริกกับเกลือข่าบดขิงบดตะไครบ่บดและผักป่าผักบ้านของเธอจะมีทุกระดูสมกับเธอขยันจริงๆเนื้อสับไข่ต้มปลาต้มสิ่งเหล่านี้จะห่อใส่บา ท, ทุกวันแต่ข้าเจ้าหุง เธอจะใส่หม้อให้ลูกยิ้วมาถวายตั้งหากโภชนะต่างๆเธอทําเป็นสัสดส่วนก่อนท่านพระอาจารย์จะฉันท่านจะนํามาผสมกันมีโภชนะต่างๆแกงบ้างน้ำพริกบ้างมีกระกรบก็แล้วกันท่านตักใส่บาตรเหลือเท่าไรก็แจกพระต่อจะถึงไหนก็แล้วแต่ประส่วนของพระมีตังหาก เธอคิดทําเองหรือท่านพระอาจารย์สั่งผู้เราไม่ได้ถามสังเกตดูท่านจะยอมรับการกระทําแบบนี้ท่านจัดการเองมีพระปฏิบัติช่วยบ้างแต่การผสมส่วนท่านทําเองผู้อื่นทําท่านว่าไม่ได้ส่วนกันส่วนเครื่องหวานที่มีไม่ขาดคือกล้วยสุกและมะพร้าวขูดไม่คั้นกะทิตอนเย็นก็มีน้ำอ้อยสด ยังมีอาหารอีกชนิดหนึ่งซึ่งที่อื่นไม่มีมีที่นี่แห่งเดียวเท่านั้นมีไม่เคยขาดคือปลาแดกสามปีคือปลาหมักกับเกลือเก็บไว้สามปีเป็นปลาดุกขนาดเล็กบ้างกลางบ้างเป็นตัวปิ้งไม่และเป็นตัวแต่เหนียวจะใส่บาดวันละสองตัวเฉพาะท่านพระอาจารย์ผู้เล่าเคยได้แบ่งหลายหนอร่อยอย่าบอกใคร โยมแพงเธอมีความเคารพในท่านพระอาจารย์เสาและท่านพระอาจารย์มั่นมากแต่ไม่ค่อยจะคุ้นเคยกับพระอื่นๆบางวันแกก็มากราบนมัสการนั่งพอสมควรแล้วก็กราบลาไปไม่เคยถามปัญหาใดๆเลยที่เธอไม่ลืมคือคําปาวรณาว่ากระผมขอปาวรณาต่อท่านอาจารย์ด้วยปัจจัยทั้งสี่ถ้าขัดข้ออย่างไรให้บอกกระผมเป็นประจำ ท่านพระอาจารย์ก็สนทนาด้วยแต่ไม่มากเพราะเธอไม่ชอบนั่งกับท่านพระอาจารย์นานๆเร่งท่านจะลำบากครั้งหนึ่งผู้เล่าจำได้ท่านถามว่าโยมแพงภาวนาเป็นอย่างไรโยมแพงตอบว่าภาวนานั่นเป็นภาวนาอยู่แล้วทั้งกลางวันกลางคืนถ้าเรามีสติท่านพระอาจารย์ว่าถูกต้องนั่นละ่ะ คือคนภาวนาเป็นแค่นั้นเธอก็กราบลากลับ